โอากาสหมอขอโอาก า, าสคณะสงฆ์จริญพรานจริญันทมาอย่างญาติโยมเราก็นั่งสร้างความรู้สึกตัวกันถ้าคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการเจริญสติหรือว่าสร้างความรู้สึกตัวจะมีดีดีมากดีที่สุดอะไรมันดีที่สุดเราก็เชื่อว่า ดีที่สุดแห่งกองทุกน้มดีที่สุดมีศรัทธาเราก็ลงมือทำกันว่าเป็นวิชากรรมฐานเป็นกรรมฐานปฏิบัติการเท่ว่าการพูดนี่ก็เป็นกรรมฐานวิชาการไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าการได้ยินได้ฟังจดจํากันมาหรือว่า ตำรับตำราการอ่านต่างๆตำมันก็เล ะ, ะอลามันก็ดำดำ น, ะนะั่นแหละหนังสือนั่นแ ะ, ะมันก็เป็นสุดตรา ม, มานัยญญาจินตาใครกลวนเอาประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวาได้ยินได้ฟังได้ดูได้เห็นได้สมัมผัสเราก็แยกแย ะ, ะเรียกว่าโยนิสมนสิกานั่นแ ะ, ะมณสริรกาน เป็นเรื่องของจิตของใจเป็นเรื่องข้อมูลต่างๆดี่เราจะน้อมกันมาใส่ตนแล้วก็เว้ น, เ, นเว้นเลือกเอาเฉพาะที่มันเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่ามาไม้ชีวิตของเรามันสะดวกสะดวกเวลาเกิดปัญหามาไม่ต้องทุกข์สะดวกเรามันเห็นอะไรมันก็เห็นสัมผัสตรงๆมันไม่ใช่คิดเห็น สันนิษฐายถึงเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็แยกแยะโยนินสอวัชิการหรือว่าลงมือกระทาลงไปได้ประสบการณ์ตรงหรือว่าภาวนาอันนี้เรื่องของจิตของใจสภาวะต่างๆอาการต่างๆที่มปรากรดเป็นภาวะสภาวะมากมายทีิมปรากฏขึ้นมาที่ยิบรูปดตามนำทำอาการของกัรหน้ ทุกมันเกิดที่ขันหน้ามันต้องมารู้มาเห็นแยกแยะที่ขันหน้ารูปธรรมนามธรรมจนเห็นอาการของมันมากมายแล้วเกินเราก็พูดสิ่งนี้กันเป็นประสบการณ์ของใครของเราเหมือนเมื่อวานถึงจะบวชใหม่แต่ว่าก็ผ่านการปฏิบัติมาตามสมควรก็พูดธรรมะตามสมควรมันก็เป็นการพูดออกมาจากการปฏิบัติ ภาษาจะมีน้อยๆใหม่ๆปฏิบัติในพูดี้เป็นพูดอะไรก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ภาษาคืออะไรแต่การก็อย่างที่เห็นนเหมือนเหมือนกันคนเก่าๆก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ไวสัมผัสได้ไวเข้าใจได้ไวผ่านได้ไวหลุดพ้นได้ไวอย่างเวาคิดมาเห็นปั๊บหลุดปุ๊บมันจานาน แต่ห้ามไม่ได้ความคิดมันอยากคิดมันก็คิดของมันตามภาษาธรรมชาติของมันธรรมชาติของจิตนี่ต้องคิดเลยเราก็รู้แล้วรู้อีกรู้สึกรู้สึกรู้สึกนั่นถ้ามันยังมีสตินน้อยรู้สึกไม่ได้กลับมาหาฐานกายก็เรียกว่ากายยะพภะอย่างเงี้ยเป็นอาการฝึกสติให้ ร, รู้ตัวตั ว, ตวพร้อมหรือว่ารู้เท่าที่มันรู้นั่นแหะ บางทีมันจะตัวพร้อมไม่ตัวพร้อมมันขึ้นอยู่กับการฝึกจนกระทั่งมันเจริญเติบโตขึ้นมาบองไหวเป็นไหวพิปติพานพวกนี้มันก็เป็นกําลังของมันพัลละสติพัลละมันมีกําลังมันเป็นแล้วนะของรูปร่างหน้าตายังไงเราก็สัมผัสเอาความเป็นปกติเวลามันมีสติปกติมันรู้ใจใจมันรู้ซื่อซื่อตุ้เนี่ลัที่เรามาปรับ เราจะตื่นยันหลับแล้วก็ปรับฝึกหายใจเป็จํานานท่องไปในกายรู้ไปในกายหรืวอว่ากายเป็นคเครื่องรูของสติเอากายเป็นที่ตั้งของจิตของใจจิตใส่ใจตามกายกันไว้ใจรู้เนียเรามาฝึกในรูปแบบนี้ยิ่งชัดเจนพลิกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมหันใยแลวกขวาเอียงซ้ายเอียงขวา สารพัดนะที่มันเป็นเรื่องของการเกินการไหวของกายตัวสารพันกายจิตหรือว่าสติน่ะที่ฝึกดีมันก็มีหน้าที่ได้ดตรงองมันหน้าที่ได้ดตรงของจิตนะก็คือรู้และรู้ถูกมันรู้ก็คือวิญญาณนะรู้และรู้ถูกต่อตายเห็นก็เห็นเฉยๆไม่ได้ปรุงเข้าไป ได้ยินก็ได้ยินเฉยๆไม่ได okay, ้ขยายความสร้างเรื่องสร้างราวการคิดการปรุงจนกรทั้งมันเป็นมายาผ้าเป็นการหลอนเป็นการหลอกแต่ว่าลักษณะของการรู้รู้ถูกเป็นการอุปโลกมันไม่ใช่หลอกมันอุปโลกโลดขึ้นมาเห็นเกิดการนำริเกิดการเอื้อเฟื้อพอไปเห็นมันเห็นถูกมันเห็นมันคิดมนก็คิดในเมตตาพูดก็พูดในเมตตา มันทำมันก็ทำด้วยเมตตาปรารถนาดียั้งต่อหน้าและรับหลังมันจะเกิดขึ้นมาจากการฝึกตนสอนตนกันแล้เราก็เลือกเลือกได้อะไรที่เป็นสาระสาระดีเราก็เลือกเข้ามาทําอะไรเป็นสาระสาระเลวพวกสาระเรวลวเราก็ไม่เอามันเป็นเรื่องของความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอันนี้เราก็พูดกันในสิ่งที่เราทํากันปฏิบัติทำก็ลงมือก็ทําลงไป เดินจงกรมลงไปปฏิบัติธรรมต่อฐานสละธรรมเนี่ยปูสะพูลงไปเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าลงไปเป็นเรื่องที่เรามาศึกษาเราเรียนกันโดยเพราะการฝึกกรรมฐานวิชากรรมฐานกรรมคือที่ตั้งของการกระทํำไม่ใช่กรรมดีกรรมชั่วแต่เป็นกรรมฐานกรรมฐานทำให้เกิดธรรมชาติธรรมชาติของจิตก็คือต้องประกอบด้วยสติปัฏฐานนะ มีศีลมีสมาธิปีมัญญาเนี่ยนะอันนี้เป็นธรรมะธรรมะที่ควรกระทาที่ควรเรียนรู้ที่ควรศึกษาเมื่อเรามาแล้วเราก็ฝึกหัดจนเห็นจริงๆว่าอ๋การเคลื่อนการไหวเนิมพึ่งได้กายของเรานี่พึ่งได้นะเราใช้มันเกิดคุณค่าทํามันใช้เราค่าตัวเราเองสิ่งเสพติดต่างๆหรือว่าการติดยึดต่างๆมันใช้เรามันก็ฆ่าเราทําให้เราทุกข์อะนะ ต้องขนไถ้ตุลนทุลายกวนกระวายใจหรือว่าลงแดงจนกระทั่งมันสั่งงานสั่งการทําอะไรไปก็ไม่เป็นคู่ไม่เป็นคนกลายเป็นพบภูมิต่าำพบภูมิเสือ่อมขึ้นมาหิวมากๆอยากจนลงแดงตุลนตุลายจนบางทีก็เรียกว่าผีกระสือนะอยากจนข้างกังเกิก็ไม่นอนกังคืนก็ต้องออกหากินสอก๊อตก๊อตของบูตรของเน่าขอ ง, ข, องขาวของสดพวนี้ เป็นผีก็หังอยู่ไม่ได้ก็เห็นก็หือหรือก็หือก็หอบเวลานอนกไ็ไปนอนเล่นห่อนเพราฉจฉนฉมฉนเราเลยเงียบนะเวลาสองทุ่มปั๊ต่างคนก็ต่างหลับกันเต็มที่เพราะว่าวันเราปฏิบัติกันแต่ถ้าตื่นนอนเวลานั้นนะเราทําบัดสดมาเราก็ปฏิบัติทํากันด้วยความตื่นตัวสดชื่นเราเห็นอาการนี้มันเป็นอาการของกายของใจรูปตามนามธรรม เรวเวาเห็นธรรมะนะตัณฑ์ธรรมะนะตื่นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องเช่นวัดวาลามสร้างวัดสร้างวาต่างๆเพื่อคนที่มาเกิดความสะดวกระเกิดความเป็นอยู่ที่เหมาะเกื้อกูลกับการศึกษาเราเรีย น, นเช่นทางนี้นะ ทา ง, น, ง, น, าาง น, นะนี้คือห้องเรียนอาจารย์สนใจท่านพูดไว้นะแถบนี้คือห้องเรียนกรรมาฐานห้องสอบคือในครัวเลยนะห้องสอบเวลาไปเจอห้องสอบหรือออกไปนอกวัดนะห้องสอบลงความเป็นจริงมันสอบอารมณ์เราดีจังเลยขณะปฏิบัติเราก็จะเห็นว่ามันก็มีการประเมินอยู่ในตัวของเราเหมือนกัน รู้สึกตัวข้างหนึ่งมันก็เป็นแต้มหนึ่งของสติรู้สึกตัวสองข้างด้วยสอแต้มของสติสองเอืนน้อนเะหมือนกับนักมวยที่มันชกคู่ต่อสู้แล้วชกก็ชกถูกหนะรือว่านักมวยยังไม่ได้ชกกับคู่ต่อสู้แต่ว่านะสร้างร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงเราเห็นว่าเออเวลาปฏิบัติก็จะมีนิวรธรรมเกิดขึ้นมา ดูกายตําราชื่อว่ากายนะกายยานุปัสสนาเทวฐานนะฝึกสติให้ตามรู้ไปในกายนะเสร็จ แ, แล้วมันมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมานิวรธรรมหมวดของนิวรธรรมปภะอังกโภล่ขึ้นมาเราได้อ่านเวลาความม่วงเกิดขึ้นมามันมาทิศทางไหนมันก่อตัวยังไงมันเคลื่อนตัวมันมันครอบคุมมันใช้อํานาจมีอิทธิพลแล้วเราก็เห็นอา น, นิสง์ของสติเราก็เห็นพลานุภาพของสติ ที่มันผ่านได้ตรงนี้นะตอนเราปฏิบัติเราก็ต้องได้สัมผัสนะมันง่วงทุกคนฝึกตอนไหนตอนไหนตอนไหนก็ตามชาวาสายแบกครับจะร้อนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกจะผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวพระโยมมันง่วงตรงนั้นแหละแต่ง่วงแล้วทำยังไงนะนะมันไม่ต้องทำใจแต่ว่ามันเข้าใจเลยว่าเออไอ้ตัวเคลื่อนไหวสัมผัสรู้เนะ มันเป็นการปลกจิตให้ตื่นจริงๆความง่วงมาอ่อนๆแล้วก็สัมผัสรู้สึกให้มันแรงๆงีมันก็แก้แก้กันนันตีระหว่างตัวง่วงมันจะพาให้ขี้เกียจเงี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็รู้สมภิุทฐานการง่วงนก็เป็นนี่เวลรรมปับพระหรือว่าบางทีเราก็เห็นอาการเปียกๆแฉะแฉ ะ, ะเวลาดื่มน้ำเงี้ยน้เข้าไปเป็นยังไง มีน้ำลายมันออกมามเป็นยังไงหรือว่าเดินไปเดินมาเหงื่อมซุ่มๆมนี่เป็นยังไงแต่มันก็เป็นอาการของกายอ่ะบางทีก็มีอาการร้อนๆเดินไปเดินมาตอนนั่งมันก็สบายๆอาการผ่อนกายพอดีๆเกิดมาพอเดินไปมามันยึดขึ้นยึดขึ้นยึดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นธาตุปัพพะอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็เกิด เห็นอาการต่างๆตากระพริบเงี้ยบางทีหูก็ได้ยินเสียงเงี้ยบางทีมันก็เห็นการเห็นต่างๆผ่านไปผ่านมาของรูปวัตถุบางทีก็มีอาการลมพัดมากระทบสัมผัสเงี้ยบางทีก็มีการลิ้มรสได้กลิ่นต่างๆมากมายนีมันก็เป็นอายะนะปัพะภายในภายนอกมันก็มาให้เรียนเป็นฉบับเป็นฉบับเป็นเล่มเป็นหน้าเราอ่านแล้วอ่านอีกนะ อ่นผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวเหมือนเวลาขับรถถอย ห, หลังนะครับไม่ได้มองหันหลังไปมองตรงๆแล้วมองกระจสะท้อนกลับอย่างเนี้ยการฝึกเห็นอาการต่างๆทํามากมันก็มองกายนี่แหละมันก็สะท้อนกลับไปหาทุกอย่างเพราะกายมันคือตัวชีวิตนะมันเป็นร่างของมนุษยนะ์เนียพระเจ้ามาอุบัติทีโลกมนุษย์เนีก็โดยเหตุอย่างนีนะ้กายมนุษย์เนียมันเหมาะที่จะทําให้เราได้มีการศึกษาเรียน จิกระสโยกกายไปนาครัสยกกายการปวดปวดร้อนร้อุกซุกทุก ๆ, ๆุกมากมายน้ำจิ้มปรากรดขึ้นไหมันก็เป็นเวทนาปภ ะ, ะจิตคิดต่างๆเป็นจิตปภ ะ, ะมันก็เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกรู้ว่เห็นอาการเสื่อมของร่างกายเราอาบน้าใหม่ๆก็ดูดีกลัว น, นวดใหม่ๆก็ดูดีสักพักนึ่งก็ค่อยๆงอค่อยๆยาขึ้นมา วัาก็งอกฟันก็หักตาก็ะฟาฟางเรื่องที่ลูกก็โอยนั่งก็โอยมันก็เป็นอาการของกายของใจมากมายเหลือเกินทีมปรากรมาให้เราได้เรียนรู้ได้อ่านมันก็เป็นแลน้วนะของปฏิกริยานาจิการปรัปพระมันก็มีเขามันอยู่นี่ก็โยงเข้าหาได้หมดในคําสอนรู้สึกตัว ต, ว, ว, กกวตัวเดียวเนี่ยการเคลื่อนการไหวตัวเดียวเนี่ยยังไงก็ขอยืนยันจุดเนี่ย จุดอื่นมันก็ใช่อยู่แต่ว่าถ้าไปมองสะท้อนมันก็ไปเห็นเบื้องหลังเหมนการขับรถดูกระจกเพื่อสะท้อนเห็นข้างหลังมันเป็นภูมิปัญญาอยู่แล้วเราจะหันหลังไปดูตรงๆข้างหน้าก็ชนโคลงก็ให้เพราะฉะนั้นการดูจิตตรงๆดูความคิดตรงๆนี่มันก็ได้อยู่แต่ละคนที่ดูเป็นตอนเราเรามาฝึกการเคลื่อนกันไหวเพื่อสะท้อนกรรมสะท้อนอาการสะท้อนธรรม ตัวไกลจนเห็นจิตนะมโนปุพังก็มาทำมามโนเสรษฐามโนวิยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดแต่เป็นใจที่ต้องฝึกถ้าใจไม่ฝึกมันไม่ประเสริฐอันนี้พูดไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่ต้องฝึกต้องฝึกต้องหัดไม่ ง, งั้นก็เป็นได้แค่คนแค่ปุถุชนหรือว่ามนุษสเปตตมนุษย์เดรชาโน แต่เราจะยกจิตของเราเป็นมนุษย์โสซีเนี่ยนะก็คือให้มีความสะอาดสว่างสงบทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะมีความสะอาดสว่างสงบแล้วก็มีความสงบเงียมเกิดขึ้นมาในตัวด้วยสงบสเงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวเนีพราะนักปราชญ์เราเจียมเนื้อเจียมตัวะไปไหนมาไหนแล้ ว, วนะเรียกว่าอยู่เงียบๆนะไม่คุกคีสันโดรนะนะ์รู้จักประมาณนะ เราไม่ต้องฝืนขวาอยากได้ไม่ต้องเอาแต่ถ้ามันจะมาเนี่ยใช้โดยสติโดยปัญญาให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆอย่างแยกกายนะโดยเฉพาะว่าเราใช้ให้เป็นเรื่องของการพิสูจน์ของความไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรทั้งนั้นความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีก็ปฏิเสธดีก็เจ้าเข้ามาอันนี้ไม่ใช่ วิชากรรมฐานคือดีก็รู้ไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะเพราะมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ชัว่วมันคือธรรมะคือธรรมชาติไอ้ที่ว่าดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้ไอ้ที่ว่าขยันเลองขยันหลงดูถ้าขยันก็ว่าดีนะาก็ขยันหลงดูหรือว่ากลัวไม่ดีกลัวผีนะไม่ดีลองกลัวความทุกข์ที่เราหลงดูมันดีไหมกลัวว่าเราจะไปเบียดเบียนผู้อื่นนะดีไหม มันเป็นหมถึงว่าดีหรือไม่ดีแต่หมายถึงมันเป็นอาการภาษาสมมติแล้วการตีความจริตนิสัยวุปินิสัยสันดานของเรานะมันมักจะไปตีค่านะอันนั้นก็คือราคะมันทีมันก็ไปปฏิเสธนั่นคือปฏิคะเมื่อเรารู้อยู่รู้เฉยเฉยรู้ซื่อซื่อนีเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะถ้าเป็นความไม่ดีมันมาเดี๋ยวมันก็แพ้ภัยตัวเองไปเราก็ให้อภัยก็มีคุณธรรมขึ้นมา นะก็กลายเป็นว่าเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องออกแรงอะไรภาวะพูดดูอยู่ถูกทิศถูกที่ถูกทางเย่างนี้นะเราจึงพูดกันเรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาเจอกันก็ถามเลยมีสติแบบน่ะรู้สึกตัวแบบน่ะถามกันอย่างเงี้ยในชุมชนปัสสาวหลวงต้องถามกันดูอย่าไปสนใจเรื่องเครื่องนอกนะเรื่องอะไรมากมายเหมือนกับสมัยพุทธกาลเนี่ยมีนะมีจริงๆในเรื่องแบบเนี้ยนะในตำรตำาตําราได้พูดไว้ชัดว่านะ ลักษณะของอคําพูดที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้กับพระอานนุลแล้วพระอนุลก็ทรงจำมาไว้ว่าเออมีการพูดอย่างนี้จริงๆรงิตอนที่ทําสังคายนาครั้งที่หนึ่งได้พูดเอาไว้ชัดว่าความรู้สึกตัวนะมีการพูดไว้ที่หมู่บ้านของชนชาวกุลุนี่ข่มชาวกุลุนั่นะพระเจ้าได้พูดไว้ที่น หมู่บ้านกรรมมากรรมมะธรรมมะลนะักษณะของหมู่บ้านกรรมมาธรรมมะธรรมมาธรรมะนะก็คือกรรมมะนะนะกรมมะกรรมมาเนะี่ยแล้วก็ธรรมะท่านพูดไว้ที่หมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านนะี้เป็นหมู่บ้านธรรมะจริงๆแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานนะ แม้กระทั่งพระผู้หญิงกับนกก็พูดกับรู้เรื่องด้วยนะก็สอนให้นกพูดถึงเรื่องกรรมฐานกําหนดธาตุกรรมฐานอัติอัติอัติอัตนะิกรราหนดถึงกระดูกกระดูกกระดูกระดกอย่างเงี้ยนะจะนั่งเหมือนกับว่ามีนกโยค่าไปนกตัว น, นี้เธอชื่อลักขิตาภิกษุณนะีได้เลี้ยงเอาไว้แล้วก็พูดถึงเรื่อง รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกระโดกกระโดกกระโดกกระโดกกระโดกรู้สึกเลยรู้สึกเลยรู้สึกเลยวันหนึ่งเหี่ยวข้าบไปนอกตัวนี้ก็นึกถึงกระโดกระโดกระโดข้าบกระโดกธาตุกระโดกธาตุดินธาตุดินกระธาตุดินกระธาตุดินกระโดกกระโดอ่อมันไม่มีใครข้าบใครไปไม่มีใครเอาใครไประทายสุดเหี่ยวก็ปล่อยเรกก็กลับมาหา ถ้าผู้หญิงคนนี้นะพระผู้หญิงก็ถามเธอเป็นยังไงบ้ง่งรู้สึกกลัวไหมรู้สึกกลัวหรือเปล่ารู้สึกยังไงบ้างอ๋อเราไม่รู้สึกอะไรเพราะธาตุดินก็ทำกับธาตุดินเหมือนเวลาก็พูดก็คุยก็เหมือนกันธาตุลมกระทันกับธาตุลมลมปากมันก็เท่ากับใจของเราก็ธาตุลมกับธาตลมว่าใจของเราก็มีตัวตนเหมือนกันเป็นอากาศธาตุเป็นธาตุว่างเมื่อ ความหมายคำบูดมากระทบมันก็เป็นธาตุลมลมปากคนเป็นภาษาสมมติพูดไม่มีความหมายอะไรมันมากระทบมันก็ผ่านไปไม่มีตัวตนธาตุลมธาตุว่างอันนี้ยนกมันก็ยังรู้ธรรมะอลไรในสมัยนั้นพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องว่าการกำหนดรู้ลมหายใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เรียกว่าอาตาอาณาปานสติยเ การกับลมอนนี้ลมเราก็เห็นแล้วเออคือความเป็นเองขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือความเป็นเองเราก็เห็นว่าการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือนี่ก็คือลมในช่องว่างลมตัวสัลปางกาของเราการเดินจงกรมก็เหมือนกันการยืดการยุ่นนนภาษาวิทยาศาสตรส์ภาษาศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าไฮโดริกไฮโดริกหรือการเคลื่อนมือเคลื่อนไม้หรือว่าการหันใจแลงขวา ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในช่องว่างลมเบื้องบนลมเบื้องล่างเราก็มากําหนดรู้อันนี้ก็ได้จดบันทึกเอาไว้ชัดเจนลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกรทั่งมีเรื่องของเอียบดใหญ่นั่งเดินยือนนอนเอียบดใหญ่สี่ทุกครั้งที่เราจะเคลื่อนไม้เคลื่อนมือเคลื่อนตัวเปลี่ยนเอียบดจุดอ่อนของมันก็อยู่ตรงนั้นให้กําหนดสติลงไปนะ นั่งนานๆมันก็เมื่อยลองขอพอลองขอเสร็จแล้วเห็นแล้วออกมีอาการลองขอของจิตถึงคิดเราก็ยังไม่เปลี่ยนให้ต่อรองคำว่ารู้สึกก่อนกำว่าต่อรองเราก็เห็นแล้จุดอ่อนเมื่อถูกแก้เป็นจุดแข็งขึ้นมาตรงนี้จะกลายเป็นความต่อเนื่องรู้สึกตัวแล้วมีความต่อเนื่องจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะกินจะกับปายต่างๆะเราก็จะได้เห็นบางทีมันก็มีทุกอริยสัจแสดงออกมา ความจริงปรากฏเรานั่งนานๆเจ็บปวดเมื่อนะ่ะก็คือความจริงเป็นปรากฏเรียกว่าทุกอริยสัจมันก็เป็นทุกปัจพระแสดงออกมาให้เราได้เรียนเราก็เห็นทุกเห็นเหตุหแห่งทุกก็เป็นเรื่องของตัย่อสัจสี่เราก็ได้เห็นแล้วอ๋อมันมีจริงๆสิงศัจจความจริงปรากฏมันก็เฉลยมันก็ตอบได้มันก็แตกฉานขึ้นมาอันนี้แหละจุดเนี้ที่ต้องทํเอาเองแล้วก็ตอบเอาเองให้คนอื่นพูดไม่ได้ตอบไม่ได้การพูดขนาดนี้ก็เป็นเพียงแค่ การทบทวนของผู้พูดเท่านั้นเองลองลอยไม่เห็นอะไรตั้มผัสกับอะไรขณะปฏิบัติเนี่ยเราก็ทําเหมือนกันก็ต้องเห็นเหมือนกันนะนะแบบว่าการเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสรู้สึกอนนี้มันก็ต้องเห็นเหมือนกันใครเห็นมากนะก็คืออาการต่างๆทั่วทัสารพรางกายความรู้สึกตัวทั่วรอบนียเราเห็นมากก็เนื่องจากการฝึกใหม่ๆ ม, มันจะไม่ได้เห็นมากอย่างนั้นมันจะเห็นการกระทบสัมผัสห ย, ยาบ กระทบปั๊บสัมผัสปุ๊บเงี้ยนะมันก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันขณะเจตนามันก็ชัดพอทาใหม่ๆหม่มัต้องใส่เจตนาลงไปถ้าเราไม่ได้ใส่เจตนามันจะกลายเป็นตัวหลงเผลอไปตามนิสัยความเคยชินเคยเจตนาคิดดีพูดดีทําดีเจตนาทํางานเงี้ยหรือว่าเจตนาทําไม่ดีเจตนาทำชั่วทำบาปทเป็นรกรรมเงี้ย ตอนนี้กลายเป็นเจตนาที่จะรู้สึกก็คือนามย่อ ก, กับนามบ่งนั่นเองเบื้องต้นพอเราเจตนารู้สึกเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วจิตของเรามันเหมือนกับถูกผูกถูกมัดเอาไว้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับโคนะโคที่เก็จับเอาเชือกมัดเอาไว้แล้วก็ผูกไว้กับหลักนะหรือว่าฝึกสัตว์นะฝึกมา้าฝึกช้างก็ต้องรัมโซ่ไว้เพื่อให้มันเปลี่ยนนิสัย จิตของเราถ้ามันถูกล่ามไว้กับกายฐานกายนี่ใสยตามความเคยชินคุ้นชินต่างๆก็เปลี่ยนการฝึกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เรียกว่าจากโกรธเป็นปกตินีจากเคยหิวเคยโลภ ก, ก็มาเป็นปกติเคยรักเคยจังก็มาเป็นปกติก็คือรู้สึกตัวเฉยๆนะตัวนีนนะ้มันก็จะเป็นระดับของอุเบกขาทําปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่รู้สึกตัว ตรงนี้จะพาให้จิตของเราเป็นทั้งพรมเป็นทั้งพระเป็นทั้งพระก็คือมีสติแล้วเรารู้สึกตัวอยู่แลอยู่เห็นอยู่อาการต่างๆอันนี้เป็นเมตจะเห็นอาการต่างๆปรากฏสองข้างทางเป็นบวกเป็นลบเป็นความพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์เราจะได้เห็นมันเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่มีการกระทบจับผัดต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจการคิดการปรุงต่างๆจะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมา เรากกลับมารู้จึกตัวก็จะกลายเป็นรู้เฉยๆอันนี้มีสติแล้วแลวอยู่เป็นมัตต์ถ้าเป็นผลก็คือมันรู้แล้วก็หายสงสัยมันรู้แล้วก็สติจะทํางานทันทีเป็นตัวปัญญามันจะเห็นอารมณ์แล้วก็ทะลุอารมณ์ผ่านอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ตรงนั้นก็จะเป็นวิมุตต์เป็นตัวปัญญาแล้วก็รู้แล้วก็ไม่ติดรู้ด้วยก็คือตัวรู้ทํางานตามกฎของธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่เป็นกลไกของธรรมะเป็นกลไกของธรรมชาติที่เขาจะสร้างสรรค์ตัวเขาเองแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นหน้าของเจตนารู้สึกที่ฐานกายกับพิปตาแล้วก็รู้สึกตัวอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่ามันเริ่มรู้แล้วก็เป็นสติปัญฐานที่มีการเจริญเติบโตแต่ถ้าหากว่ามันไม่รู้กับพิปตาไม่รู้หายใจไม่รู้ต้องเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสรู้สึกเหมือนกับคนที่ไม่ลืมกำเพื้อตัวเอง เคยเป็นคนจนอย่างไรแล้วก็ทําตัวเองให้มั่งคั่งขึ้นมาจากการขยันหมั่นเพียรทํางานทํางานต่าๆอย่างเงี้ยนะเราก็ยังเคารพอยู่เคารพอาชีพเหล่านั้นอยู่นะไม่ใช่หมายถึงว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอรต่อได้ดีขึ้นมามันก็หลงลืมตัวใช่ไหมกลายเป็นลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็คนจนทําตัวรวยท้ายสุดก็จนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนักกรรมฐานเราก็ไม่ทิ้งฐานเลยว่าฐานกายน่ยไม่ทิ้งกําหนดรู้อยู่เป็นนิดนะ เรียกว่ากายกายิกระทำกายยิกระทำตัวนี้มันเป็นลักษณะของธรรมกายชนะก็เรียกว่าเอากายนะเป็นฐานของธรรมเป็นฐานของการกําหนดรู้เป็นลักษณะของสติที่มันเป็นสมาธิเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าอนันต์กาิกสสมาธิมันพัฒนาขึ้นมาจากคณิกสมาธิแล้วก็ซ้อนซ้อนขึ้นมาก่อนที่จะเป็นลักษณะของอวจารสมาธิ มันจะเป็นความต่อเนื่องของความรู้สึกตัวทั่วสัตพางกายตอนต่ตื่นยันหลับตัวนี้เราก็จึงพัฒนาตัวเราเองทุกๆขณะเลยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ตามก็มีกายเราอยู่เห็นกายเรานั่งเป็นดุ่นเป็นก้อนอยู่ตัวนี้ไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวมันก็จะเป็นเล่าหณะของไม่ลืมกํามพืชของกรรมฐานเห็นกายเราเวฒนาก็เกิดกับกายจิตก็เกิดกับกาย อาการของจิตรประพระมันก็อยู่ในใกายของเราอาการของเวนาปะพระก็อยู่ที่กายของเราหรือว่าธรรมะปพระมันก็อยู่ที่กายของเรารูปมากระทบตาตาก็อยู่กับกายเสียงมากระทบหูหูก็อยู่กับกายพูดยังไงมีระบบประสาทโยงเชื่อมต่อขนนต์ทภาษาของการแพทย์ปยาบาลก็คือ ร, บระบบประสาโยงจากสา่วนประสาทหรือว่าโสดาประสาทนี้นะ ร่างกายยปัสสัดมันมีเขาเปนอยู่หรือว่าลิ้นปัสสาทลิ้นปัสสัดจม่ยมันมีเันอยู่ก็เชื่อมโยงไปหาระบบสมองระบบสมองก็ถูกสั่งงานสั่งการนะจิตกับบังคับบัญชาใช้ใช้ด้วยความรู้ใช้ด้วยความหลงะไม่ต่างความคิดกัเหมือนกันมันเป็นภาษาในสมองนั่นแหละเมื่อเราเห็นภาษาในสมองมันก็มีภาระราุภาพะ ก็คือเรืหนาของสติที่มันทํางานของมันโดยตัวของมันเองก็เรียกว่าสติดูจิตนะสติเห็นจิตนะจิตก็มีอาการคิดตามธรรมชาติของเา้าอันนี้ห้ามไม่ได้แต่ว่ารู้เท่ารู้ทันได้เนื่องจากสติฝึกมาดีแล้วจากอยาบไปหาละเอียดนะตัวนี้แหละมันจึงจะสนุกใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าไม่สนใจใครหรอกจะดีทั่งตัวจะช่วช่งสงไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่เราละชั่วขนาดไหนเห็นไหม วเวลาคิดเวลาพูดเวลาทําต่างๆจับผิดเพกโทษออกไปข้างนอกนะตรงนี้แหละมันพ่ายแพ้ตัวเองเพราะนั้นจึงมีการปั้นลูก ป, ปั้นเอาไว้นะเข้ามาในวัดนะประตูสุญาตาคือเข้ามาที่นี่ก็ลืมซะนะว่างจริงๆเข้ามาที่นี้ว่างจากความหมายถูกๆผิดๆเหตุเหตุผลๆมีตัวเองเห็นตัวเองจน ก, การะทั่งมาเห็นคนขี่เสือชี้ตังเมชนะแล้วโวยชนะแล้วโวยตรงนั้นก็หมายถึง คนที่นะมีสตนะิแล้วเสือเหมือนกิเลสก็ขี่เ ล, เลไม่ได้มีอาวุธอะไรนอกจากปัญญาวุฒนะิปัญญาวุธก็คือไม่ได้ดวลรับไม่ได้ดวนปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาชั่วนะมีต่รู้มันเห็นมันเสือมันก็ยอมนะกิเลสก็ถูกหยิบมาใช้ได้เป็นประโยชน์นะ เพราะดันลักษณะของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไปรังเกยียจอาการต่างๆทิ่มปรากฏขึ้นมาในตัวไม่ต้องรังเกยียจมันแต่สิ่งเหล่านั้นจะให้เราได้เดินทางได้เห็นอย่างตื่นตาตื่นใจว่านี่คือกฎของธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยที่ทุกคนจะทําได้ผ่านมาเน้นเราจะได้เห็นน้อยสีกินแมลงนะหมายถึงลักณะของสติ นี่วลฒธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เท่ารู้ท่าแล้วอยู่เหนือมันได้แต่ว่าเทคนิคปฏิบัติอันนี้ไม่เรื่องของตัวใครตัวเรานะเทคนิคปฏิบัติทิ่ภะผ่านอารมณ์เป็นเรื่องการทําซ้ำำซํำทําซ้ําๆแล้วก็โจทย์ที่มันโผล่ขึ้นมาให้เราได้นะตอบได้เฉลยนะให้เราได้เหมือนกับว่าเก่งขึ้นนะก็คืออาการต่างๆที่มันชวนให้เราทํา จุดอ่อนที่ชวนให้เราไม่ยกมือไม่เดินจงกรมนะทั้งนั้นเลยมันก็คือลักษณะของนิวรธรรมหรือว่ากุจอธรรมกุศอรธรรมที่มาให้เราได้อ่านสติหรือว่าลักษณะของความรู้สึกตัวนะั้นมันก็จะถูกรู้ถูกเห็นจนกระทั่งเหมือนกับว่าเป็นความจานานเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกทำซ้ำําจนมันมีประสบการณ์ตรงแล้วก็เก่งเลยนะ ประสบการณ์ตองและเกลงก็คือมันจะตื่นตัวตื่นทุกข์สภาวะอาการต่างๆคือภาวะที่เราหลงเพลิดไปคือทุกข์นั่นน่ะคราวนี้ถูกรู้เท่ารู้ทันเมื่อไหร่มันก็ผ่านทันทีเราจึงเข้าใจวอ๋อมันมีวิมุตต์หลุดพ้นจริงๆแต่ว่าจะหลุดพ้นได้ก็ต้องมีครูเข้ามาสอนเราเพราะนั้นแหการต่างๆแล้วความคิดเป็นครูสอนเราความทุกข์เป็นครูสอนเราความทุ่มสอนให้เรารักกันความทุกข์สอนให้เราฉลาด คามสงส่งให้เราเห็นแก่ตัวความสูงส่งเราออ่อนแอปอบบางเราก็เลยฝึกตัวเราสอนตัวเรากันนะอันนี้ก็คือทบทวนเฉยๆแล้วก็พูดออกมาเป็นคาพูดนะท่านก็ได้ยินได้ฟังก็ไม่ต้องเชื่ออะไรหรอกนะเพียงแค่ว่าการแสดงออกครั้งนี้มันก็เป็นลนักณะของผู้พูดก็ถือว่าเอาบุญตั้งแต่เช้าก็แล้วกันนะการพูดในสิ่งที่มัน รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้นียมันก็กลายเป็นเรื่องของออการบอกความจริงนะการพูดธรรมการพูดศสนาธรรม <c oughs> เราก็จึงแสดงออกแบบนี้แล้วก็มีความสุขตั้งแต่เช้าแต่ว่าผู้ฟังจะฟังแล้วมีความสุขหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของใจของเราเองเป็นเรื่องเราที่จากําหนดสติเอานะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้นะความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่นะตั้งแต่ฝึกมาจนถึงขนาด น, นี้ยนะ จะทถึงนัดวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องขยายผลต่อไปเหมือนเวลาเขจับยาบ้าได้แล้วนะตํำรวจก็ไม่ได้หยุดแค่จับยาบ้านะเขาขยายผลต่อไปสาวต่อไปจนเจอไอ้หัวโจกจนได้นะเราก็สาวไปจนเห็นไอ้ตัวหลงตัวหลงก็ตัวรู้ตัวรู้ก็ตัวหลงตรงนี้นะก็คือรู้ก็คือรู้สึกตัวหลงก็คือหลงตัวตัวนี้หลงมันก็เกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดนะ ความทุกข์ที่เราเคยเป็นมานะี่ยเราก็ได้ประสบการณ์ตรงกันอันนีเห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาประมาณสามสิบนาทีก็ขอให้เช้านี้เป็นเจ้าที่เราจะต้องขยายผลความรู้สึกตัวของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปะจทั้งเจอไอ้ตัวหลงตัววิชาจากะต้องได้คำตอบของชีวิตก็คือมันมีทุกนี้เหตุแห่งทุกข์แล้วก้าวล่วงออกจากความทุกข์ จ, ท, ท, จทั้งมีความสุขเสริมสาร เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายได้ตัวหน้ากันทุกรูปตุ้งนามเทิน